<c oughs> ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ <c oughs> รเทระพระมหาเทระ <c oughs> เพื่อนมูเพื่อนสาหธรร ม, มิกทุกองค์โอกาสต่อไปนี้ <c oughs> เป็นโอกาสให้พากาันตั้งใจสำรวจมารวังนะพุทธบริษัทเราเพื่อแสดงทำตามสมควรแก่เวลา วันนี้หลวงพ่อก็เป็นมวยแทนอยู่เหมือนเดิม <c oughs> มาแหละอืไปได้แค่ไหนขนาดไหนก็เอาเลยนะ <c oughs> นะโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสมมาสัมบุทตสสะนะโมตัสสะ สกワโตอรหะโตสัมมาสัมบูทัสสานโมตัสสกโตอรหะโตสัมมาสัมบุทัสสานอนิจจาวัตสังคาราุปปะวะยัทมิโนุปจิตตวานิรุชันติเตสังโฆปะสมุสุโคติ ตั้งใจทําความสงบใจแล้วก็ฟังไป <c oughs> อา น, นิสงส์จากการฟังและก็ทําความสงบใจของเรานั้นมีผลมีอา น, นิสงส์เฉพาะในหัวใจของเราท่านแสดงไปแล้วเราฟังรู้เรื่องก็ตามไม่รู้เรื่องก็ตามเพราะเหตุที่เรากำหนดจดจอ่อทาความสงบใจให้กับตัวเองนั้นมีผลมีอา น, นิสงส์มีความ ส, สำคัญยังไงที่ว่าให้จอ่อทาความสงบ อยู่กับเนื้อกับตัวของตัวเองปกติใจของเรามันไม่สงบมันโดดดิ้นมันโดดดิ้นไปตามสิ่งที่มีพลังอยู่ข้างในใจของเราสิ่งที่มีพลังอยู่ข้างในใจของเราก็คือพลังของตัณหาการขับเคลื่อนของตัณหาในหัวใจของเรามันไม่เคยทําให้ใจของเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ นึกดีบ้างนึกไม่ดีบ้างนึกไปบางอย่างเขามีความสุขปริมยิ้มย่องขึ้นมานึกไปบางอย่างทุกทับถมเข้ามาแล้วยิ่งนึกถึงเรื่องไม่ดีเนียแล้วเดี๋ยวก็ได้รับความทุกเดี๋ยวก็ได้รับความแป้ใจเดี๋ยวได้รับความสลดหดหูใจเนี่ยเพราะฉะนั้นการสงบ ก, การสับมบรณ์ระมัดระวังจึงเป็นเหตุตัดเหตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้ใจของเราได้รับความสงบ เรื่องของความอยากนั้นอ่ะถ้าเราปล่อยให้เกิดความอยากตามอำนาจของตังหามันไม่พ้นที่จะไปกรอบโหยทุกข์เข้ามาทับถมหัวใจของเราแต่ถ้าหากเรานึกคิดยาเกี่ยวกับเรื่องมรตผู้ติจามรตไม่เจริญเช่อนอย่างตั้งใจที่จะให้ทานเงี้ยตั้งใจที่จะรักษาศีลปรารถที่จะให้ทานปรารถที่จะรักษาศีลปรารถที่จะ ภาวนาสัมถทภาวนาวิปัสนาภาวนาทําใจให้ได้รับความสงบการปราลบเรื่องเหลา่านี้มันเป็นการปรารบข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับกองทุกข์หามันมีข้อหักล้างกันอยู่ในนั้นแหละข้อหักล้างกันอยู่ในน้้นตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้เราดูสิทุกสมุทยัยมีพระโอษมันนี่ตัณหาก็คือสมุทยัยสมุทัยก็คือตัณหา พวกเราได้อัตภาพร่างกายมาได้จิตใจมาเพราะจิตใจพวกเรามันปนเปื้อนกับกิเลส้วยเหตุที่จิตใจพวกเรามันปนเปื้อนกับกิเลสเราจรึงเสาะแสวงหาพบหาชา่าเรามีบุญมีวาสนาพอเราได้ม า, าบัตเป็นมนุษย์เพราะการอาบัตเป็นมนุษย์นั้นน่ะทําให้การพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปได้อย่างดีไม่เหมือนเราเป็นสัตว์ถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นั้นมันถูกกรรมจํากัดอยู่แค่นั้น มนุษย์เรานี้ถูกกรามจำกัดแค่ว่าให้เร า, มาเมาบัตเป็นมนุษย์เท่านั้นเองมีมนุษย์เป็นทุนเดิมมีบุญกุศลเป็นทุนเดิมและทำให้เราได้เมาบัตเป็นมนุษย์แต่การที่จะพัฒนาต่อนั้นการอุบัตมาเป็นมนุษย์พัฒนาไปได้อย่างดีเพราะฉะนั้นในภพชาติที่เราเอุบัตมาเป็นมนุษย์นี้เราจะพัฒนาให้ต่ำซ้ำลงสุดๆเราก็จะ ส, ส, ส, สา ม, มารถทาได้ เราจะสามารถพัฒนาไปให้ถึงจุดสูงสุดเท่าที่เรามีความสามารถที่จะทำได้เราก็สามารถทําได้ไม่เหมือนสักด์ในรฉาญถูกกรรมจํากัดอยู่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นให้พวกเราท้งหลายภาคภูมิใจว่าเราได้อบัตรมาเป็นมนุษย์และที่สําคัญที่สุดได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสให้ทานพระครูบาอาจารย์บรรพบุรุษสอนให้พวกเราให้ทางให้ตั้งใจรักษาศีลและให้ตั้งใจประพฤติ ธ, ธรรมให้ตั้งใจปฏิบัติร ธ, ธรรม ทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเหินห่างจากสาเหตุที่จะทำให้เราเข้าไปพัวพันไปเกี่ยวข้องกับสาเหตุทำให้ได้รับความทุกข์ได้รับทุกข์ได้รับโทษในจิตใจของเราในวันนี้พวกเราทั้งหลายมาร่วมปรงงรรมสังเวชหลวงพ่ อ, ย, อย่อยพระครูพระครูวิสุทธิ เมธาวัตรหลวงพ่อยอยธรรมะธารโออายุเจเจปีพรรษา46หพรรษา46่สนบะ่ไหมพรรษาสหอายุเจปีพรรษา46่สหกพรรษาห้าสิบพรรษาห6หพรรษาห้าหอ่าพรรษาห6หอายุเจปี เรามาพิจารณาดูแล้ว <c oughs> ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่นทรงตรัสเอาไว้หลายแห่งนะท่านพูดถึงว่าอนิจจาวัต ส, าาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายนะ่ะมันมีส่วนประกอบหลายๆสิ่งมาประกอบกันมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน ว่าได้การได้ได้ระยะได้การได้เวลาสังขารเหล่านั้นก็จะย่อยสลายาลงไปนี่คือกองสังขารที่ก็รวมกันแล้วเขาจะต้องแตกแยกจากกันสังขารคืออัตภาพร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันที่เป็นสังขารรูปจิตใจของเราก็เป็นสังขาร น, นามในใจของเรานั้นเป็นกองสังขารเพราะมีสิ่งปรุงสิ่งประกอบอยู่ในนั้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจของเราใจของเราโดยที่แท้จริงธาตุรู้ธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่ไม่บริสุทธิ์ในเมื่อมันไม่บริสุทธิ์มันก็ปนเปื้อนมากับกิเลสตัณหานี่เองด้วยเหตุที่ปนเปื้อนมากับกิเลสตัณหาจึงเป็นสองอโดยเฉพาะหลักใหญ่ๆครับ เ, เป็นสองตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันมันก็เป็นกองสังขารแล้ว เมื่อมาประกอบกันแล้วจะไม่อยู่เท่าเดิมจะต้องเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของใจของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยคิดเรื่องสุขบ้างคิดเรื่องทุกข์บ้างคิดเรื่องกลางกลางบ้างที่เรียกว่าจิตตสังขารจิตตสังขารปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างปรุงกลางกลางบ้างนี่คือเรื่องของสังขารนอกจากนั้นแล้วคับความนึกความคิดความปรุงสารพัดในหัวใจของเรา มันไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ก็ที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้มีปัญญาจะหันเหให้ใจดวงนี้หันเหมาในทิศทางที่ดีเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมได้ช่องทางได้แนวปฏิบัติพยายามหันเหบอกสอนอให้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเนี่ยตั้งใจถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามแล้วก็ขยับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงาม เพื่อที่จะลดผู้ที่จะละจากเทศเพื่อกรองทุกข์ตั้งหลายตั้งตวงไปได้แต่ถ้าหากเราไม่มีผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดที่จะชี้ช่องบอกทางเราก็เดินสเปกสปะไปตามบุญไปตามกรรมการที่เราสเปกสปะไปตามบุญตามกรรมมันก็ไม่พ้นอำนาจของกิเลสตัณหามันเอาหยัวยใจของเราไปสร้างเหตุเพื่อความทุกข์สร้างเหตุเพื่อความโลภสร้างเหตุเพื่อความโกรธเพื่อตัณหาราช ทั้งหลายทั้งปวงที่จะเป็นเหตุตามมาเพราะขึ้นชื่อว่าอัตภาพร่างกายของเราของท่านนั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมโดยเฉพาะอย่างเดียวนี้ขณะนี้หลวงพ่อยอยของเราเป็นประจักษ์ขยานซึ่งท่านได้มรณะภาพมาตั้งแต่วันที่3ามมาจนถึงวันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่14 15ี่วันพวกเราทั้งหลายก็มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลและอุทิศส่วนบุญถวายท่านอุทิศส่วนบุญบูชาท่าน การที่เราทําบุญจัด ก, การศพทางนี้ไม่ใช่เราทําเปล่าเราทํำไปแล้วเราได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นใครมีความสามารถที่จะเสียสละมากน้อยเสียสละเวลาเสียสละทุนรอนเสียสล ะ, ะกําลังมาช่วยจัดมาช่วยทําเป็นการเป็นกุศลกิริยาอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ย พิดพิจารณาแล้วได้กติได้ตัวอย่างได้สติได้ปัญญาะจะจะเป็นเหตุปรับเปลี่ยนเป็นกุศลเพิ่มพูมบุญกุศลก็สู่หัวใจของเราไม่ใช่ว่าเราทําไปแล้วเราสูญเปล่าเราทิ้งเปล่าเน็ดเหนื่อยเปล่าเป็นเหตุบําเพ็ญเพื่อได้บุญได้กุศลบุญกุศลทั้งหมดนี้เป็นของผู้บําเพ็ญพวกเราทั้งหลายตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศลจะเป็นของพวกเราแล้วเราก็อุทิศส่วน กุศลทั้งหลายท่านพวงเหล่านี้แหละที่เราเสียสละมาแล้วนี่แหละอุทิให้แก่่อาหลวงพ่อหลวงพ่อยอยบิดามารดาปุญญาตายายสัระศัพท์ทั้งหลายเราก็ทิศไปตามปติตามประเพณี <c oughs> ที่พาเราทํามาอื <c oughs> นี่เราพูดถึงกองสังขารอานิจารปะสังขาราอุปปาวทวยะธรรมโนอุปจิตตวานิรุชันติ <c oughs> เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป อุปจิตวานิรุจันตีเตสังหูปะสมโอสุโภดการเข้าไปสงบระงับดับสังขารได้เป็นสุขสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่นี้เราจะสงบระงับได้อย่างไรพวกเราทั้งหลายเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บเรากลัวความตายแต่เราไม่เคยคิดกลัวความเกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถท่านมีความฉลาดแต่เน้นว่าความแก่ความเจ็บความตายมาจากความเกิด อะไรเป็นเหตุให้เกิดนี่ทุกขติจ้าทันมะสงคนคว้าอยู่ตรงนี้การไม่เกิดก็คือการเข้าไปสงบระ ง, งับดับกองสังขารได้ดับกองสังขารรูปเราจะดับได้ยังไงกองสังขารรูปเพราะกองสังขารรูปนี่เป็นผลวิบากของกรรมที่เกิดขึ้นจากใจใจเป็นคนสร้างใจเป็นคนทำอัตภาพร่างกายของเราเนี่เป็นกองสังขารเลยเป็นก้อนทุกข์แล้วก็เป็นตัวผลตัวผลทั้งหลายนี้ อัตภาพร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นจากเหตุคือสมุทยัยสมุทยัยสมุทัยนี้สิงอยู่ที่ใจคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาตัณหาสรุปไปสรับผู้ตั้งใจปฏิบัติแล้ก็ย้อนไปให้ดูให้เห็นความอยากในใจของตัวเองและพยายามจับความอยากในใจของตัวเองนี่แหละโอ้อยากไปเพื่อสมุทยัยหรืออยากไปเพื่อมะถ้าอยากไปเพื่อกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นการอยากไปเพื่อสมุทยัย สมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขสมุทัยโยทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายคืออัตภาพร่างกายของเรากับจิตใจของเราที่วนเวียนว่ายในวัฏจักสงสารนี้เป็นกองทุกข์แต่มันเป็นตัวผลตัวเหตุของมันแท้ก็คือสมุทยัยสมุทัยก็คือตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากมีอยู่ที่ใจของเราถ้าหากเราตั้งใจนั่งกำหนดจดจอย้อนมาดูมาพิจารณาดูความอยากในหัวใจของเราเราจะเห็นความอยาก เมื่อเราเริ่มเห็นความอยากเราสามารถจะพิจารณาและจับได้โอ้อยากเพื่อสมุทัยหรืออยากเพื่อมรรคถ้าอยากเพื่อมรรคท่านให้ส่งเสริมท่านให้สนับสนุนอยากนั่งภาวนาอยากเดินจงกรมอยากนั่งภาวนาอยากให้จิตได้รับความสงบอยากมีปัญญาอยากรอบรู้ในกองสังขารอยากได้อัดได้ทําได้มรรคได้ผลอยากได้ผลิพานความอยากทั้งนี้เป็นแรงผลักดันให้เรา ามาตั้งกำหนดจวจ่อในหัวใจของเราเพื่อที่สงบระงับดับเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทยัยนี่มันมีความยากเหมือนกันความยากอันนี้แหละมันพาเราดิ้นรนมันพาเราขัดเคลื่อนไปไม่รู้จักจบเราจะสงบระงับได้อย่างไรเราจะสงบระงับเราจะสงบระงับอัตภาพร่างกายของเราไม่ใช่ว่าเราไปฆ่าตัวตายไปมัดคอตายพระพุทเจ้าท่านไม่ได้ ไม่ได้กําหนดจดจ่ออย่างนั้นท่านกําหนดจดจ่อมาที่จิตมาพิจารณาดูที่จิตเพราะต้นตอที่แท้จริงของจิตเรื่องร่างกายของเราที่เกิดมานี่มันเป็นส่วนอดีตแล้วมันเป็นส่วนอดีตแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาเพื่อตักในส่วนที่จะให้ไม่เกิดไม่มีขึ้นในอนาคตท่านยังไงอัตภาพร่างกายของเราจึงจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราพูดไปอย่างนี้เหมือนกับอัตภาพร่างกายของเราไม่มีคุณค่าอะไรเลย แท้จริงอัตภาพร่างกายของเราเราได้มาจากบุญจากเวรจากกรรมของเราแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นกองทุกอยู่ที่ทําให้เราต้องได้รับทุกขทรมานอยู่เดี๋ยวนี้ทุกยังไงเราก็ดูไปจีทำมาหากินหาอยู่หากินหาใช้หาสอยจากแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเดียวเราก็ดูเทอะ บางคนมีโรคร้ายติดตัวนะเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาล เ, เ, เดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรต่ออะไรสารพัดความทุกข์ทั้งหลายเนื่องจากว่าเรามีอัตภาพร่างกายเราจะสงบระงับมันได้อย่างไงในส่วนที่เป็นอดีตส่งมาแล้วเราสงบระงับดับไม่ได้แต่ถ้าหาเราไปสงบระงับโดยไปมัดคอตัวเองให้ตายนั่นไม่ใช่การสงบระงับที่ถูกต้องมันเป็นการสงบระงับที่ผิด เป็นการสงบระงับแบบวิชาทิฏฐิจะต้องสงบระงับดับเหตุเพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตในภายในใจของเราสงบระงับดับได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาแนวปฏิบัติเอาข้อปฏิบัติมากำกับที่ใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีให้มีเราย้อนไปดูที่มรรคอริยมรรคมนองแบบอริยมรรคในองแบบสัมมาวายโมสัมมาวายามั อันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ภาคสนามงานได้ของเราของเราได้เป็นอย่างดีสํารวมระ ม, รมรัดระวังสํารวมระ ม, รมรัดระวังสังวรปรธานสํารวมระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในหัวใจเพราะกิเลสเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวจะไปสร้างความชั่วแต่ถ้าหากไปสร้างความดีมันไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันเป็นกิเลสก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นกิเลสส่วนดีตราบใดที่เรายังไม่ได้อารยาธรรม มันเป็นเหตุกระดุกระดิกพลิกแปลงท่านเรียดท่ารรนทำผลเปื้อนมาด้วยกันให้จิตของเราสำรวมอยู่แต่ในคุณคุณคุณคุณสมบัติของธรรมที่เป็นเรื่องของธรร ม, มทั้งวรประธานพระหารประธานไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในหัวใจ ความชั่วเก่าที่เกิดมีแล้วพยายามล ะ, ะแล้วก็ภาวนาประทานพยายามบำเพ็ญเหมือนอย่างที่พวกเราทำนี่แหละแล้วก็รักษาผลรักษาผลของคุณงามความดีที่เกิดขึ้นไว้แล้วนี้ให้คงอยู่ให้มีอยู่การสำรวมระมัดระวังอย่างนี้มันเอามาใช้ได้กับคุณธรรมขั้นจริยธรรม พ, พื้นพื้นขั้นธรร ม, มาหากินของเราขั้นธรร ม, มาหากินของเรารวมไปถึงขั้นกลางรวมไปถึงขั้นละเอียด แม้แต่ประโยชน์ในปัจจุบันก็สามารถเอาอันนี้มาใช้ได้ประโยชน์สัมภารยุทธะประโยชน์ก็สามารถเอาอันนี้มาใช้ได้และก็ประโยชน์สูงสุดคือมรรคนิพพานก็เอาธรรมะข้อนี้มาหมุน ม, มากำหนดจดจอ่อมาพิจรารณาเข้าสู่หลักในในวงในในหน้างานจริงๆริงเอาเรามาเราเอาม า, า, า, มากำกับจดจอ่อได้อย่างไรเพราะฉะนั้น การตั้งใจสำรวมระมัดระวังที่เทว่าสวงสังวรปัะหานก็ต้องเอามาสติสติมันมันเป็นตัวมาระมัดระวังสติสติก็คือความตื่นรู้ของจิตนั่นะความตื่นรู้ของจิตที่ท่านเรียกว่าสติโดยปกติจิตของเราเวลาเราปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้ด้วยสติจิตของเราจะเป็นอิสระเป็นอิสระจากอารมณ์ที่เกลเอตมาโยโวยวนเป็นอิสระ จากอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่มาอยู่อยยวนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พวกเราอยู่กับธรรมอยู่กับบทธรมรมยุบอยู่กับบทธรรมเช่นอย่างให้เราบริกรรพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อเป็นการปิดกั้นเพื่อเป็นการสํารวมเพื่อเป็นการระมัดเพื่อเป็นการระวังไม่ให้กิเลสความชั่วร้ายเกิดขึ้นในหัวใจของเราเมือเ่อกิเลสมาเกิดขึ้นในหัวใจของเราด้วยเหตุที่เราไม่สํารวมไม่ระมัดระวังเราเห็น เห็นส <cin> <and true> ิ่งที่ชอบใจมันก็ชอบมันก็รักมันก็ยรัมก็ยึดเข้ามาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปโดยธรรมชาติของใจแล้วมันเห็นสิ่งที่สิ่งเห็นสิ่งที่ดีที่งามที่ชอบใจมันก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปผลักออกไปทําไมมันจึงยึดเข้ามาทำไมมันจึงผลักออกไปธรรมชาติของใจ พอเวลาไปสัมผัสปั๊บรู้ว่ารู้สึกว่าเกิดความสุขในหัวใจของเราแล้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาแท้ที่จริงใจของเรามันติดความสุขใจของเราของท่านมันติดความสุขความสุขมากความสุขน้อยความสุขยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มเนี่ยใจของเรามันติดความสุขเวลาตาไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสใดๆก็ตามไปสัมผัสแล้วมันเกิดความทุกข์มันเกิดความทุกข์มันก็ผลักออกไปคือไม่ชอบใจไม่พอใจสุขลงแล้วก็คือ สิ่งที่ดีก็คือยินดีสิ่งที่ร้ายก็คือยินร้ายรักสุขเกลียบทุกธรรมชาธรรมดาของใจของของเราของท่านรักสุขเกลียบทุกขเพราะฉะนั้นพ ร, ระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราตั้งใจปฏิบัติตั้งสติกำหนดจดจ่อพิจารณาโรมาอยู่ตรงนี้ตั้งสติปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นโรอยู่ตรงนี้ให้เห็นสักจะว่าเห็นได้ไหมโดยที่ไม่ยึดเข้ามาโดยไม่ผลักออกไปเราสามารถทําได้จริง เรามาพิจารณาดูหน้างานครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งอก้ใจภาวนาท่านเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดอีอยู่หน้างานเห็น ส, สัจธรรมเห็นทำไมสัจธวรมเห็นเพราะเราตื่นรู้อยู่รู้อยู่เฉพาะตัวของเรามันไม่ไปอยู่กับวัตถุที่เราเห็นเห็นจัจธวรมเห็นความยินดีไม่เกิดจริงๆนะความยินร้ายก็ไม่เกิดจริงๆไอ้ความยินดีไม่เกิดกับความยินร้ายไม่เกิดหมายความว่าตัณหามื น, ม, น ม, มันไม่เกิด ตัณหามันไม่เกิดตัวตัณหาตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่จะสร้างอุปธิสร้างภพสร้างชาติของเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นการสังสมด้วยตัวของตัวมันเองมันสังสมมาอย่างนี้เห็นสิ่งที่ดีมันก็ยึดเข้ามาเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปไม่เคยกําหนดจดจ่อด้วยบทธรรมว่าเห็นจักแต่ว่าเห็นเห็นจักแต่ว่าเห็นก็คือไม่ยึดเข้ามาแล้วก็ไม่ผลักออกไป ด้วยเหตุที่ยึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นเหตุที่เราต้องโลภต้องศกต้องสแสวงหาผลักออกไปเป็นเหตุที่เราเกิดความโกรธเป็นเหตุที่เกิดกิเลสกองใหญ่ทั้งความโลภทั้งความโกรธเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บทปัญญาพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเอง <S <S ลองยึดเข้ามาลองยึดเข้ามาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของดิบของดีอัตภาพร่างกายของเราของท่านยึดเข้ามาว่าเป็นของดีของดี แล้วก็จิตใจก็มาสําคัญมั่นหมายยึดเอาถือเอาต้องฉกต้องสบายต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาใจใเขามาคาดมาหมายมากะมาเกณฑ์เอาตามใจหวังของตัวเองแต่ว่าอัตภาพร่างกายเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาต้องเปลี่ยนไปเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บและเขาต้องตายเขาเจ็บไข่ได้ป่วยเขาเขาก็เป็นไปตามภาวะของเขา ร่างกายก็เท่ากับจิตใจก็เท่ากับว่าเป็นผู้อีกผู้หนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คอยมาดูแลอคอยมาดูแลคอยประคับประคองเพื่อจะเพื่อที่จะหยุดเพื่อที่จะชะล อ, อะไม่ให้มันเจ็บ จ, จนเกินไปไม่ให้มันท่าทุนจนเกิดไปความแก่ความตายเนี่ยไปดูแลไปรักษาทําได้แค่นั้นเองไม่ให้ชะลอความแก่ชะลอความเจ็บและก็ชะลอความตาย แต่ความไม่เกิดเนี่ยเราชะลอไม่ได้เราชะลอได้ด้วยการที่เรารู้เท่าทันตัณหาในใจของเราความเกิดทั้งหลายถึงจะเกิดไม่ได้การที่จิตของเราไม่ไปเกาไม่ไ ป, ไ ม, ไ, ปไม่ไปจับจองในรูปในเสียงในกลิ่นที่เราได้ไปสัมผัส น, นั้นะมันเป็นการไปสงบระงับดับกองสังขารไปในตัวเพราะตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่เกิด เมื่อตัาหาเกิดขึ้นมาปับ๊บอัตตาตัวตนมันก็เกิดขึ้นมาอัตตาตัว ต, วตวโโนโผล่ขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาความยึดความถือมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ ย, ยเราจะหาวิธียังไงที่จะเรามารู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นวิธีการนี้พระพุทธเจ้า brave, ท่านจึงสอนให้พวกเราเจริญปัญญาเจริญปัญญาตามหลักของสมถะตามหลักของวิงปัสสนาปัญญาเรื่องอย่างอื่นเป็นนั้นเป็นไปอย่างอื่น แต่ปัญญาเรื่องเหล่านี้มันย้อนมาที่จิตของเราทําให้เรามาหมุนอยู่ตรงนี้แหละจึงสามารถจับพิจนาให้ให้เราจิตของเราได้รับความสงบสงบจากตัณหาไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาที่หัวใจของเราอย่าลืมว่าตัณหาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรมันจะยึดเข้ามามันก็จะผลักออกไปยึดเข้ามาไม่มีปัญญาที่จะไปรู้ไปเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์เป็นโทษผลักออกไปก็ไม่รู้ไม่เห็นเหตุ ป, ปัรจัยว่า ท, ทําไมจึงผลักออกไปไม่รู้ไม่เห็น ทำตามจริตทำตามนิสัยตามที่สะสมมาตั้งแต่ภูเรชาแต่เวลาตั้งใจตั้งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆเราก็จะต้องมาเจริญอย่างนี้จนจิตของเราสงบจิตของเรานิ่งจิตของเราเป็นตัวของตัวไม่ปล่อยให้ความอยากมันแทรกเข้ามาในหนัวใจของเราตัณหาเราพยายามรู้เท่าทันมันมันก็จะเริ่มสงบมันก็จะเริ่มระงับดับไป เมื่อตันหามันสงบระงับแล้วเราไปพิจารณาตามหลักที่ท่านมาในปฏิจจสมุทบาทตันหาเป็นปัจจัยแห่อุปาทานนะพอตันหาโผล่ขึ้นม า, าพระอุปาทานเอ่ยพบเอ่ยชาติเอ่ยมันก็ตามมาการที่เราจะสงบระงับดับพบชาติของเราได้อย่างที่ท่านว่าเตสังอุปสโมโอสุโผการเข้าไปสงบระงับดับสังขารเราจะต้องมาสงบระงับดับตรงนี้ไม่งั้นสังขารจะไม่สงบจะไม่ระงับ ไม่ใช่ว่าแค่อัตภาพร่างกายเราหมดลมหายใจสังขารตัว น, นี้ดับลงแต่ว่าไอตัวที่ก่อทุกข์กอโทษก่อดภพกอดชาติยังมีอีกยังจะไปก่ออีกนะตามบุญตามกรรมถ้าหากไม่มีคุณสมบัติพอก็ไม่ได้ออกมาอาบัตรเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์ในไร่ฉานนู่นไปเป็นสัตว์อยู่ในอาบายแต่ถ้ามีคุณสมบัติพอมาเป็นมนุษย์นะมาเป็นมนุษย์ชั้นธรรมดาพื้นๆมาเป็นมนุษย์ชั้นกลาง มาเป็นมนุษย์ชั้นอัจชร้ยะมนุษย์หรือไม่สูงไปมากกว่า น, นี้นี่หมาถึงพบภูมิที่เราควรจะได้ควรจะถึงแต่ถ้าหากเราตั้งใจบำเพ็ญในขณะปัจจุบันให้รู้ให้เห็นจนสามารถละความอยากได้เด็ดขาดนั้นอ่ะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจึงจะสงบระงับดับหายไปสังขารที่ก่อขวนกิดของเราไม่ให้กิดของเราได้รับความสงบแค่เรามากำหนดจดจ่อบริการพุดโธใจของเราได้รับความสงบคือกอสังขารเหล่านั้นสงบ เราก็เป็นสุขถ้าหากเราสงบระงับดับเหตุเพื่อพบเพื่อชาติของเราได้เราก็จะมีความสงบมีความผาสุขมีความสุขอย่างถาวรอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าว่าประมังสุขขังประมังสุขั ง, ง, ขงนี่เพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติที่พุทธเจ้าท่านทรงมาวางไว้ให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายตั้งอกตั้งใจถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเริ่มต้นสะสมมาตั้งแต่การให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างแล้วก็ เจริญเมตตาภาวนาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจบ้างทายังไงเราจะรู้เท่าทันตัณหาอาสวะที่มันอยู่ในหัวใจของเราถ้าหากเราย้อนเข้ามาแล้วเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเริ่มรู้เริ่มรู้จั ก, เ ร, รจกเริ่มรู้จักอุบายเริ่มรู้จักวิธีเริ่มรู้จักช่องทางที่เราจะสงบระดับตัณหาในหัว ใ, วใจของเราได้นี่สังขารทั้งหลายทั้งปวงอันนี้จึงจะสงบระงับดับไปได้ไม่อย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะสงบระงับนะ ทัาหาสงบระงับได้อัตภาพร่างกายสงบระงับไปจิตใจกิเลสตัณหาในหัวใจของเราสงบระงับไปแต่ตัวจิตจิตคือท่ารู้คือผู้รู้ยังมีอยู่ยังยืนรองอยู่เป็นผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเพราะไม่มีตัณหามาเกี่ยวข้องแล้วเหมือนอย่างพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างจิตของพระสาวกพระอระหรันตสาวกทั้งหลายท่านชําระจนเหลือแต่จิต ที่บริสุทธิ์หัวใจดังนั้นหมดความอยากถึงความสุขประมังสุขังนี่พระองค์เข้าไปผ่านพนไปหมดแล้วถึงความสุขอย่างเต็มที่และผู้รู้ผู้บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ดับสูญหายไปไหนยังดูแต่ถ้าไม่ลาถิงสมมติพวกเราไม่รู้แต่ถ้าหาม า, าดถิงสมมติพวกเราถึงจะรู้ เพราะธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้ประจํามีอยู่ดั้งเดิมในโลกเรามาพิจารณาดูตามต้นต่อที่พระพุทธเจ้าทศสงตราไว้ธาตุรู้มีอยู่ประจํามีอยู่ดั้งเดิมในโลกธาตุไม่รู้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็มีประจําอยู่ดั้งเดิมในโลกแต่ด้วยเหตุที่ธาตุรู้ยังมีกิเลสตัณหามาเกี่ยวข้างมาผูกพันอยู่ไปสดไปเสวหา อยู่ในอัตภาพอัตภาพนั้นๆก็ประกอบไปด้วยดินประกอบไปด้วยน้ําด้วยลมด้วยไฟทําให้เราได้เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้แหละพอเวลาเขาเกิดมาแล้วก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็สลายไปเคล็ดับไปเท่านั้นเองถ้าในใจของเรายังมีเพราะยังมีชาติอยู่ยังมีตัณหาในหัวใจของเราพาเราดึงดีดดิ้นอยู่ในนั้นไม่รู้จบจบไม่รู้จกสิ้น วัตตสงสารนี่ก็จะยืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเราต้องการให้พบชาติของเรามีที่จบมีจุดจบเราจะต้องตั้งใจศึกษาให้รู้ให้เห็นข้อปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มาศึกษาให้รู้หเห็นหลักของอริยสัจทั้ง4ี่เนี่ยทุกสมุ ท, ทัยนิโรธมาเารื่องเรา พ, พอจะเห็นหน้าเห็นตาว่าเราควรจะแวกยังไยยงไหวยังไงกระจา ย, ยัางไงคลี่คลายยังไงแล้วก็ดําเนินไปยังไง แต่ในขณะเดียวกันก็อาศัยบุญกุศลที่เป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานทําให้เราเหยียบย่างก้าวเข้าไปเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีพลังส่องสนับสนุนส่งเสริมไปเรื่อยๆออมีบุญวาสนาบารมีเพียงพอตักงกตั้งใจเห็นทุกขเห็นโทษเต็มที่ในพระจักรพรรดิพยายามถีบตัวไปให้พ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราพุทธ บ, บริษัททั้งหลายพวกเราเสียสละมามาตั้งโรงทาน มาช่วยจัดคุณมาช่วยจัดนี้มาช่วยจัดทุกอย่างเท่าที่มีความสามารถที่เราจะช่วยจัดช่วยทำกันได้เพราะอันนี้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของของชาวพุทธเรามันเป็นวิธีการจัดการอย่างหนึ่งให้งานอันนี้สําเรุจลรุ่งไปด้วยดีและบุญกุศลทั้งหลายที่เราประกอบที่เราทํานี้จะไม่ไปไหนะจะเป็นผลจะเป็นอา น, นิสงส์เข้าสู่ห้วใจของเราและมันเป็นการเชิดชู บูชาบุญคุณของครูบาอาจารย์ด้วยเป็นการเป็นกันถือตามประพุทตธธิตามปฏิบัติตามธรรมะในพระพุทธศาสนาอีกด้วยทําให้พระพุทธศาสนาของเรามีที่มีที่มีผู้มีผู้เคลื่อนมีผู้พาบําเพ็ญมีผู้พาถือพาทำพาประพฤติพาปฏิบัติตามก็จะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุข มีความเจริญด้วยเราตั้งอกตั้งใจถือถือรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในสัมปรายเยียกภพกเราก็ไปสู่ความสุขความเจริญนังพลานามพอสมควรเก่เวลาแล้วอเอวังเพียงเท่านี้